การที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆได้ก็อยู่ที่ความภาคเพียรความพยายามดังในธรรมที่แสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรหรือความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าผู้ปฏิบัติบาถนาที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความอุตสาหะวิริยะมีความภาคเพียรพยายามที่จะเจริญธรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดมากผลนิพพานขึ้นมา ทาที่จะทําให้เกิดมากผลนิพานขึ้นมาก็คือสติสมาธิและปัญญานี่คือทาที่ผู้บําเพญ็ญผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องเจริญให้มากเจริญให้ได้ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ ถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญทำทั้งสามประกาศนี้รับรองได้ว่ามรรคผลนิพานจะต้องเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนชาวนาวชาวไร่ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆแล้วก็คอยทำนุบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ให้เจริญงอกงานเติบโตไปในไม่ช้าต้นไม้เหล่านั้นก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาดอกผลไม่ได้เกิดจากการปรารถนาเพียงอย่างเดียวการปรารถนามากผลนิพพานเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เกิดมากผลนิพพานขึ้นมา เหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่อยากจะได้ดอกผลต่างๆจากต้นไม้เมื่อมีความอยากได้ดอกผลจากต้นไม้สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆขึ้นมาเมื่อมีทำการเพาะปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไม่นานต้นไม้เหล่านั้นก็จะออกดอกออกผลขึ้นมา ต้นไม้ของธรรมก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองที่ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องมันปลูกฝังให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้ามีต้นสมาติต้นสติต้นสมาติต้นปัญญาแล้วผลมรรคผลชนิดต่างๆ ต, ต, ตั้งแต่โสดาปติ ผลจนไปถึงอรหัตตผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนและการที่จะทำให้สติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีความภาคเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาตามลำดับปัญญานี้จะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนสมาธิจะเกิดได้ก็จะต้องมีสติก่อน ดังนั้นสิ่งแรกที่จำเป็นที่จะต้องเจริญก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งสามคือสติสมาธิและปัญญาเพราะสติจะเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาและเมื่อมีสมาธิก็สามารถที่จะเจริญปัญญาให้เห็น อริยสัจ ส, สี่ให้เห็นใจรักณได้เมื่อเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นใจรักเห็นอสุภะเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงก็จะสามารถละตันหาความอยากได้เมื่อละตันหาความอยากได้นิโรธคือการดับของความทุกข์คือมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความเพียรพยายามให้มากในการเจริญสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะไม่รวมลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อใจไม่รวมลงเป็นอัปปนาสมาธิใจจะไม่มีอุเบกขาใจจะไม่มีกำลังที่จะ พิจารณารมต่างๆได้เพราะใจที่ไม่มีอุบเบกขานี้เป็นใจที่จะถูกตันหาความอยากฉุดลากให้ไปคิดในทางที่เป็นอกุศลไปในทางที่จะสร้างตัหาสร้างความโลภความโกรธต่างๆขึ้นมาจะไม่มีกาลังที่จะไปพิจารณาธรรม ที่จะมาใช้ในการดับตัณหาดับกิเลสต่างๆได้ดังนั้นต้องทำใจให้สงบก่อนก่อนที่ใจใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าไปสู่ความสงบขณะ น, นี้ใจถูกกาลังของตัณหาเช่นกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาผลักดันใจให้ออกไปข้างนอก ให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเพื่อเสพเพื่อให้ได้รับความสุขแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดเมื่อเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์นี่คือปัญหาของใจที่ไม่มีสติไม่มีกำลังพอที่จะ ดึงใจให้เข้าไปสู่สมาธิถ้าใจมีสติถ้ามีสติมีกำลังพอที่จะดึงใจให้เข้าไปในสมาธิได้ใจก็จะสงบและมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องออกไปทางตาหูจมูกิืนกายเพราะเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหา ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองแต่ถ้าใจไม่สงบนี่ก็แสดงว่าตัณหาความอยากยังผลักดันใจให้ออกไปข้างหน้าอยื่ให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้ไปเสพแล้วก็ต้องไปทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพเพราะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง มีตัวแปรหลายตัวเช่นร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์แล้วรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะที่ถูก อ, อกถูกใจซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคงเส้นคงวาบางเวลารูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะที่ถูก อ, อกถูกใจก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ให ให้ได้เสพก็ได้พอไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ถูกอกถูกใจก็จะไม่ได้รับความสุขแล้วก็จะได้รับความผิดหวังแทนได้รับความหมงุดหงิดลำคาญใจแทนเพราะไม่ได้เสพสิ่งที่รักที่ชอบเพราะช่วงนั้นสิ่งที่รักที่ชอบอาจจะหายไปหรือ ไม่มีในขณะนั้นเช่นถ้าชอบเสพอาหารบางชนิดแล้วพอดีร้านที่ขายอาหารชนิดนั้นเขาปิดไปก็ไม่ได้เสพหรือผลไม้ชนิดต่างๆที่มีอยู่เป็นบางบางโอกาสบางเวลาถ้าเกิดไปอยากจะเสพผลไม้ในช่วงที่ไม่มีให้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือเรื่องของการที่เราไม่มีสติดึงใจให้เข้าไปสู่ข้างในให้ใจเป็นสมาธิให้ใจสงบเป็นอุเบกขาให้ใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าสติกำลังสู้ตันหาความอยากไม่ได้จิตก็จะไม่มีวันที่จะสงบ ถ้าจิตไม่สงบจิตก็จะต้องออกไปวุ่นวายไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นจะมีการดิน้นมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการขึ้นมีการลงมีการมามีการไปไม่ไม่เหมือนเดิมไม่คงเส้นคงวาต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยปกป้องแล้วถ้าหายไปก็ต้องคอยไปหามาทดแทนใหม่ก็จะเป็นการวุ่นวายกับการหากับการรักษาแล้วถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องวุ่นวายกับความเสียอกเสียใจดังนั้นถ้าเราไม่พยายามเพียรสร้างสติกันใจของเราก็จะเป็นใจที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราสามารถสร้างสติจนมีกำลังมากกว่าตันหาความอยากต่างๆได้สติก็จะดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบได้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องจนเป็นสัมปชัญญะสติก็คือการละลกรู้ละลกรู้ถ้าละเลึกรู้อย่างต่อเนื่องท่านก็เรียกว่าสัมปชัญญะถ้าละลกรู้แล้ว เ, เดี๋ยวเผลอ ก็ยังไม่เป็นสัมผัสจัญญารู้แล้วเผลอเผลอแล้วรู้สลับอันไปสลับกันมาถ้ายังมีเวลาเผลออยู่ก็จะไม่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าไปถึงฐานของความสงบได้ดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและความเพียรพยายามที่ทุ่มเทให้กับการเจริญสตินี้ ก็เป็นตัวที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากถ้าไม่มีความเพียรพยายามแล้วจะรนสติได้ครั้งสองครั้งแล้วก็ยอมแพ้บอกไม่ไหวสู้ไม่ไหวควบคุมใจไม่ได้ใจชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบไปเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้นึ ง, นงกลับมาก็ไม่ยอมถึงกลับมาไม่ยอมกลับมา ถ้าไม่เพียนพยายามเดิมมันก็จะไม่กลับนะต้องพยายามต้องทำความเพียรให้มากๆอย่าเกียจคร้านความเกียจคร้านไม่ใช่เป็นทำที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแต่ความเพียรพยายามนี้เป็นทำที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรา ให้กับการเพียงสร้างสติขึ้นมาดีกว่าสร้างอะไรต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้เราบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ นอกจากความเพียรเจริญสตินี้เท่านั้นงั้นอย่าไปหลงกับความสุขทางโลกอย่าไปหลงกับสิ่งมหัศจรรย์ทางโลกเพราะว่าเป็นเหมือนกับดักให้เราติดอยู่กับวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ถ้าเรายังหลงกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเช่นเตกลามบ้านช่องต่างต่าง เครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยอะไรต่างๆสมัยนี้มีการผลิตสินค้าชนิดต่างๆขึ้นมามากมายถ้าเราไปหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้แล้วทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเทความเพียรให้กับการแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะติดกับดักของวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมาในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่จะผูกเราไวใ้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราลรือสัตว์โลกที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจะหลงหลายข้างใครกับสินค้าต่างๆที่ผลิตกันขึ้นมาจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาล่ออกล่อใจอยู่เรื่อยรถยนต์ชนิดใหม่จะออกมาอยู่เรื่อยๆมีวิวัฒนาการแปลกพิสดารขึ้นไปเรื่อยๆสินค้าทุกอย่างจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อย ทำให้ผู้บริโภคนั้นหลงไหลข้างใครเวลาปลาฏิงานโชว์สินค้ากันแต่ละครั้งมีคนไปดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนกันนี่คือความหลงไหลของจิตใจที่ถูกอวิชชาโมหะความหลงครอบงำอยู่คิดว่าสินค้าต่างๆที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานี้จะมาอำนวยความสุขจะมาบาบัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปแต่มันกลับเป็นทางตรงกันข้ามมันอาจจะบําบัดความทุกข์ทางร่างกายอํานวยความสะดวกทางร่างกายแต่มันไม่บําบัดหรืออํานวยความบําบำบัดความทุกข์หรือบําหรืออํานวยความสุขทางใจหรอกมีแต่จะเป็นทางตรงกันข้ามมันกลับจะสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้น ลดความสุขใจให้มีน้อยลงเพราะทุกครั้งเวลาเห็นสินค้าอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องอตะเกียกตะกายดิ้นรนไปหาซื้อสินค้าเหล่านั้นมาอันนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเพราะความอยากได้จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขจะต้องดิ้นรนหา เอาสิ่งที่ต้องการอยากได้นี้มาให้ได้แล้วเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาแล้วถ้าเกิดเสียไปหรือหายไปก็ต้องเสียใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของสินค้าต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ อาจจะมาบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากทางร่างกายได้และเพิ่มความสุขทางร่างกายได้แต่ จ, จะไม่สามารถแต่จะมาเพิ่มความทุกข์ทางใจให้เพิ่มมากขึ้นลดความสุขทางใจให้น้อยลงไปผู้ที่ได้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจความจรงิงอันนี้และจะระมัดระวังไม่ให้ใจนี้ถูก ความหลงหลอกให้ไปหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไป <c oughs> หาความสุขทางร่างกายตามความจําเป็นของร่างกายก็พอเช่นร่างกายขาดอาหารก็หาอาหารมาให้ร่างกายได้บริโภคขาดเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ขาดที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยมาหลบดดดหลบฝน เป็นโลคภัยไข้เจ็บก็หาอยู่้ายามารักษาพอให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติสุขก็พอแล้วแต่ถ้าต้องการหาความสุขมากกว่าสิ่งที่ปัจจัยสี่หาได้นั้นจะไม่ได้ความสุขแต่กลับจะได้ความทุกข์ทางใจเพิ่มมากขึ้นไปจะลดความสุขทางใจให้น้อยลงไปเพราะจะต้องวุ่นวายกับการไปแสวงหา กับการไปดูแลรักษาและกับการสูญเสียวุ่นวายกับการสูญเสียเวลาสิ่งที่ไปแสวงหามาได้มีอันจะมีอันที่จะต้องหมดสิ้นไปดังนั้นเรื่องของความสุขทางร่างกายนี้ก็ให้มีปัจจัยสี่ก็พอเพียงแล้วร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขแล้ว ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ร่างกายสุขไปมากกว่าการมีปัจจัยสี่อาจจะอานวยความสะดวกตามความอยากมากกว่าเช่นอยากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถยนต์ถ้ามีรถยนต์ของตนเองก็สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่อันนี้มันก็เป็นการสร้างตันหาความอยากขึ้นมาที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไป พอเวลาเกิดตัณหาความอยากไปไหนมาไหนเราไม่สามารถไปได้เช่นรถยนต์เสียยางแตกหรือคนขับรถไม่อยู่ไม่ว่างไม่สบายหรือร่างกายของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สามารถไปตามความอยากได้งั้นอย่าไป ซื้อสินค้าต่างๆที่มาอานวยความความอยากของเรามาตอบสนองความอยากของเราเพราะมันจะให้ความสุขเราในในเบื้องต้นในขณะที่เราสามารถทำอะไรตามความอยากได้แต่พอถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเช่นเราไม่ไม่ไปไหนมาไหนตามความอยากเราก็ไม่ต้องไปหารถยนต์ไปซื้อรถยนต์มาเราก็อยู่บ้านถ้าจำเป็นจะไปไหนก็ใช้รถสาธารณะก็ได้แต่ไปด้วยความจำเป็นไม่ได้ไปด้วยความอยากถ้าอย่างนี้ก็จะไม่เป็นปัญหา เพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่ความสุขอยู่อย่างมีสุขได้<ม>การที่เราจะอยู่อย่างไม่มีตัณหาได้เราก็ต้องมีสติคอยกำลาบตัณหาในเบื้องต้นก่อนฝักดันใจให้กลับเข้าไปสู่ความสงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบแล้วตัณหาความอยากก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราว จะทำให้เราอยู่เป็นสุขจะทำให้เรามีมีความรู้สึกว่าไม่อยากได้อะไรเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขกว่าความสุขต่างๆที่ที่เราจะได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือความจำเป็นในการทำความเพีย เพียงเจราญสติให้มากๆจเจริญสติตั้งแต่เติ่นขึ้นมาเลยเพราะั้งพอเติ่นขึ้นมาถ้าเราไม่เจริญสติตัณหาก็จะเจริญตัณหานี้จเจริญตั้งแต่พอเราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตานี้ก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็สามารถกำกับควบคุมความอยากได้จะให้ทำตามความอยากกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น เช่นร่างกายหิวน้ำก็หาน้ำให้ร่างกายดื่มแต่ถ้าร่างกายอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ให้มีความามีรสมีชาติเพื่อจะได้เสพความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่ให้มันเสพเราจะใช้สติควบคุมบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอมีการบริกรรมพุทโธพุทโธไป คามอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรถต่างๆก็จะระ ง, งับไปนี่คือเรื่องของการเจริญสติเพียรพยายามเจริญสติตลอดเวลาลืมพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติจะตั้งไว้ที่พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปจะตั้งไว้ที่ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายในทุกิริยาบทว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่าให้ใจไป ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนั้นจะเป็นความพปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆนั่นเองถ้าไปกับความคิดปรุงแต่งตามความอยากแล้วใจก็จะไม่สงบใจก็จะไปวุ่นวายกับการไปทำตามความอยากต่างๆจึงไม่ให้ไปคิดนะให้หยุดคิดกันก่อนให้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกาย ทุกเวลาพอตื่นขึ้นมาถ้าร่างกายนอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่กำลังลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังไปทำอะไรต่างๆก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนจะทาอย่างนี้ได้ก็ต้องมีชีวิตที่ไม่มี งานการเป็นชีวิตที่อิสระเป็นชีวิตของนักบวชถ้ามีงานการนี้มันห้ามความคิดไม่ได้เพราะตื่นขึ้นมาก็ต้องคิดแล้วว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทําภารกิจที่ไหนกับใครอย่างไรก็คิดไปพอคิดไปใจก็วุ่นไปกับความคิดก็จะไม่มีสติตั้งมั่นจิตจะไม่ตั้งมั่นสติไม่สามารถดึงใจไม่ให้คิด เพราะความจำเป็นบังคับให้คิดเพราะยังทำงานทำการอยู่ผู้ที่ต้องการสร้างสติอย่างเต็มที่นั้นจึงต้องออกไปอยู่แบบนักบวชคือไม่มีภารากิจการงานกับอะไรแล้วเลิกทำมาหากินเลิกหาเงินหาทองเลิกทำธุรกิจต่างต่างแล้วมาทำธุรกิจเพียงเรื่องเดียวคือธุรกิจในการเจริญสติ จเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาเท่านั้นถ้าไม่ถ้าไม่ทุ่มเทให้กับการจเจริญสติสมาธิปัญญาแบ่งรับแบ่งสู้ผลก็จะไม่ค่อยเกิดเพราะว่าเหตุที่จะทำให้เกิดนั้นมีกำลังไม่พอสติไม่มากพอก็จะไม่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เกิด เมื่อปัญญาไม่เกิดการบรรลุการหลุดพ้นก็จะไม่เกิดนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญถ้าเราปรารถนามรรคผลนิพพานเราก็ต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาลันต่สาวกทั้งหลายท่านได้บาเพ็ญกันท่านเคยมีอาชีพอะไรท่านก็ลาออกจากอาชีพนั้นเมิกธรรมาหากิน คอยเป็นกษัตริย์ก็ออกบวชเป็นพระเป็นมหาเศรษฐีก็ยกสมบัติให้กับผู้อื่นไปแล้วก็ไปบวชไปอยู่หรือไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องราวต่างๆถ้ามีสมบัติมีคนที่จะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูอุ ป, ปการะ ใจก็ต้องคิดถึงสมบัติคิดถึงคนที่เราต้องเลี้ยงดูที่เรามีความรับผิดชอบก็จะไม่สามารถที่จะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องผู้ที่บรรลุมากผลนิพพานส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่ตกงานเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจเป็นผู้ที่ล้มละลายในทางธุรกิจการล้มละลายทางธุรกิจนี้ในทางสายตาของทางโลกอาจจะคิดว่าเป็นการ ล้มเหลวของชีวิตแต่ในทางธรรมนี้ถือว่าเป็นการเจริญในทางธรรมเพราะเมื่อล้มเหลวทางธุรกิจแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทำธุรกิจอีกต่อไปจะได้มีเวลาไปเจริญธรรมไปเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการบรรลุผลทางธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นมา นี่คือเรื่องของความเพียนสำหรับผู้ที่ปรารถนามากผลนิพพานจะต้องเพียนแบบนี้ถ้าไม่เพียนแบบนี้แล้วจะไม่ได้ดูผู้ที่เขาได้กันว่าเขาเพียนแบบไหนกันเก้าสิบเก้าปรน้อยทงร้อยนี้จะเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นทำกันถ้ามีภารกิจการงานอย่างอื่น จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องสติจะมีการขาดตอนไปเรื่อยๆเพราะจะต้องไปคิดถึงภารกิจต่างๆอยู่เรื่อยๆนี่คือความสำคัญของการบาเพ็ญความเพียรเพียรสร้างสติสติเป็นธรรมข้อแรกที่จำเป็นก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อน เหมือนกับการเรียนหนังสือจาเป็นที่จะต้องผ่านขั้นอนุบาลขั้นปถมไปก่อนถึงจะขึ้นสู่ขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาได้ดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญถ้ายังไม่มีปัญญาถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิ ถ้ายังไม่มีสมาธิก็แสดงว่ายังไม่มีสติเะฉนั้นเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีอะไรหรือไม่มีอะไรถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตรวมได้แล้วก็แสดงว่าเรามีสติแล้วถ้าเรามีสติจิตรวมได้แล้วเราก็ออกไปทางปัญญาได้แล้วออกไปพิจารณาตายรักได้แล้วพิจารณาอสุภะได้แล้วพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารของ สิ่งที่เรารับประทานได้แล้วเราต้องพิจารณาของเหล่านี้เพื่อจะได้ระ ง, งับความอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ยังจะเห็นว่ามันน่ารับประทานอย่างน่ารักอย่างน่าชมอย่างให้ความสุขกับเราอยู่เราก็จะติดอยู่กับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เรา อยากได้นี้มันให้ความทุกข์กับเรามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดมันไม่น่าดูไม่น่ารับประทานอย่างที่เราคิดถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่เราคิดเราก็จะไม่อยากได้เพราะเราไม่อยากได้เราก็ละตันหาความอยากต่างๆได้พอละตัญหาได้ก็ดับความทุกข์ต่างๆได้ในวิธีการดับความทุกข์ง่ายเหลือเกิน มีแค่นี้เพียงให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราหลงไปคิดว่ามันดีมันให้ความสุขกับเราให้เราเห็นว่ามันไม่ดีจริงมันไม่ให้ความสุขกับเราจริงแต่มันจะให้ความทุกข์กับเราจริงเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปเวลามันเสื่อมหมดไปมันความสุข <ๆ S 2> ที่ได้จากมันก็จะหายไปความทุกข์ที่อยากจะ ให้มันกลับมาก็จะทำก็จะโผล่ขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาถ้าเรามีสมาธิแล้วถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องเจริญสติให้มากๆถ้าใช้คำบริกรรมก็หมั่นเจริญบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงในอนาคตให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือคิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราจาเป็นที่จะต้องคิดว่าตอนนี้จะทำอะไรดีเดินจงกรมดีหรือนั่งสมาธิดีบาดกว่าถึงเวลาปาดกว่าหรือยังถึงเวลาบินทบาทหรือยังถึงเวลาอาบน้ำอาบเท่าหรือยังก็คิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติ ที่ต้องคิดแต่ถ้าเวลาทําอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรปัดกวาดก็พุโทโธพุดโธไปหรือดูการปัดกวาดก็ได้ปัดไปทางซ้ายก็ว่าดซ้ายปัดไปทางขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้อยู่กับกิจกรรมอยู่กับการงานการการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ พุโทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งสมาธิจิตก็จะไม่ลอยไปลอยมาจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายนั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธเดี๋ยวเดียวก็รวมได้หรือนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวเดียวก็รวมได้เพราะใจไม่ไหลไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตตั้งอยู่ในปัจจุบันที่เป็นที่ตั้งของสมาธิ สมาธิจะไม่เกิดถ้าจิตไปอดีตหรือไปอนาคตจิตต้องอยู่ในปัจจุบันถึงจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้เกิดความสงบขึ้นมาได้นี่คือเรื่องที่เราจะต้องพยายามทํากันให้ได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆมาเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนาะเจอกับบุคคลต่างๆที่เราไม่ปรารถนาะที่จะเจอเราก็ต้องไม่กลับมาเกิดนละการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่จะทําให้มาเกิดเหตุที่จะทําให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากทั้งสานี้เองเคยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส เรียกว่าการละตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวตัณหานี่คือตัวที่ทำให้เกิดภพชาติขึ้นมาเกิดการเกิดการแก่การเจ็บการตายขึ้นมาเราจึงต้องมาละตัณหากันและสิ่งที่จะทำให้ตัณหาหมดไปได้ก็คือสติสมาธิปัญญา ที่เป็นองค์ประกอบของมรรคนี่เองมรรคก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัประ ค, คือปัญญานี่รวมกันแล้วก็จะทำให้ละตัณหาได้เพราะจะเห็นว่าสิ่งที่ตัณหาอยากได้นั้นเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขได้มาแล้วจะต้องร้องไห้แน่นอนจะต้องเสียใจยกับสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็ว พอเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วก็จะไม่อยากได้ความอยากก็จะหายไปแล้วเมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะดับไปขณะที่เกิดความอยากก็เกิดความทุกข์แล้วเวลาจิตสงบนิ่งเฉยๆนี่จะมีความสุขแต่พอจิตเกิดความอยากขึ้นมานี้จิตก็จะกระเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับน้าที่นิ่งพอมีตัวปลาผุดขึ้นมา น้ำก็จะไม่นิ่งจะมีจะไม่เคลื่อนเคลื่อนของใจหรือปลาที่มีอยู่ในใจก็คือตันหาความอยากนี่พอปลามันโผล่ขึ้นมาใจที่สงบนิ่งก็จะกระเพื่อมพอกระเพื่อมใจก็ไม่สบายแล้วใจก็เริ่มมีอาการงดเงลียดมีอาการไม่ไม่สงบไม่สุขแล้วเพียงแต่เกิดตันหานี้ก็เป็นทุกข์แล้ว แล้วไปหาสิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขก็จะเป็นทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเวลาสิ่งที่ได้มานั้นมันตายจากเราไปหรือหายจากเราไปคิดว่าได้บุคคลนั้นมาแล้วจะได้ความสุขกับเขาพออยู่กันไปสักพักเดี๋ยวเขาจากเราไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดจากเพราะความตายจากเพราะความเบื่อจากเพราะมีคนอื่นที่ดีกว่ารอเขาอยู่ เวลาเขาจากเราไปเราก็จะถูกแล้วแต่ถ้าเรารักษาความสงบของเราไว้ดีกว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันใช้ปัญญาหยุดมันว่าอย่าไปทำอย่าไปอยากอยู่กับความสงบนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้สอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยอย่างนี้ แล้วก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ละความอยากได้แล้วก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ต้องเกิดจากด้วยปัญญาเท่านั้นสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะทำลายความอยากได้เพียงแต่กดไว้ได้เท่านั้นเองสมาธิเป็นเหมือนหินทับหญ้าส่วนปัญญาจะเป็นเหมือนการถอนหญ้าออกจากดิน ถอนรากเง่าของหญ้าออกจากดินถ้าถอนหญ้าถอนรากออกจากถอนต้นหญ้ากับรากออกจากดินแล้วต้นหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะงอกงามขึ้นมาได้อีกเลยแต่ถ้าเอาหินไปทับไว้เฉยๆพอเอาหินออกปั๊บเดี๋ยวไม่นานมันก็หญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ปัญญาเป็นเป็นผู้ถอดถอนรากเง้าของความหยา ส่วนสมาธิเป็นผู้กดความอยากเอาไว้ด้วยกำลังของสติสตินี่เป็นผู้กดเอาไว้ให้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิตันหาก็จะไม่โผล่ขึ้นมาไม่มีกำลังโผล่ขึ้นมาเพราะกำลังของสติกดเอาไว้แต่พอสติอ่อนกำลังลงพอพออ่อนกำลังลงตันหาก็จะโผล่ขึ้นมาจิตก็จะออกจากสมาธิขึ้นมา แล้วก็ไปคิดในเรื่องของตันหาต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ตันหาจเจริญ ง, งอกงก็ต้องใช้ปัญญาถอนรากของตันหาอะไรคือรากของตันหาก็คือโมหะนี่โมหะหรืออวิชชาความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความไม่รู้ว่าสิ่งที่ตันหาอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลภ พ, พนี้ มันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจงรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็หมดไปเป็นเหมือนควันไฟนไปเที่ยวมาแล้วความสนุกสนานก็หายไปกลับมาบ้านความสนุกสนานความสุขต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว่างเปล่าเกลี่ยวเดียวได้ที่จะทําให้เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อีก นี่ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นความสุขชั่วคราวและเวลาไม่ไม่เสพไม่ได้เสพตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปห้ามรูปเสียงกิริลดเมื่อให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลานั่นเองนี่คือการเห็นใจรัก เห็นอ น, นิจจังเห็นอ น, นัตตาในรูปเสียงกลิ่นรสเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพออยากแล้วใจก็ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเวลาได้มาก็จะดีใจแต่พอเสียไปก็จะเกิดความเสียใจตามมาต่อไปให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะหายโง่อวิชาก็จะถูกทําลายไปโมหะก็จะถูกทําลายไปจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ เพียงแต่ว่ามันมีความสุขบางหน้าเท่านั้นเองแต่มันมีความทุกซ่อนอยู่ข้างหลังก็ดูชีวิตคู่ครองกันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่กับคู่ครองนี้อันไหนมันจะดีกว่ากันอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครองมีคู่ครองแล้วก็ต้องมาทะเลาะกันบ้างมาโกรธกันบ้างมาเกลียดกันบ้างแล้วก็ต้องมาห่วงมาวิตกกังวล แล้วเวลาจากกันก็เสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้อยู่คนเดียวก็จะไม่มีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้อยู่คนเดียวก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหวที่เกิดจากความอยากมีเพื่อนมีอะไรมามาระ ง, งับความเหงาความว้าเหวนี้แต่ถ้าคนฉลาดถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องเจริญสติให้มากๆทำใจให้สงบให้ได้ พอเมื่อใจสงบแล้วจะก็จะไม่เหงาจะไม่ว้าเหวจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายแล้วถ้าเกิดความเหงาความว้าเหวก็ใช้ปัญญาเข้ามาทาลายว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้เป็นคู่ครองที่แท้จริงของเราเป็นคู่ครองที่ซื่อสัตย์กับเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ไปเปลี่ยนจะไม่ไปหาคนอื่นจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราสร้าง ความสงบขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถรักษามันไว้ได้และให้อยู่กับเราไปได้ตลอดแต่คู่ครองของเรานี่เราไม่สามารถที่จะรักษาให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะมีความซื่อสัตย์กับเราแต่ในที่สุดเขาก็จะต้องตายจากเราไปก็เหมือนกับการเหมือนกับการที่เขาไม่ซื่อสัตย์นั่นเองเพราะเขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาจากเราไปแล้วอดังนั้น ถ้าเรามีความสงบแล้วเราให้ยึดความสงบนี้ไว้เป็นคู่ครองของเราเถิดอย่าไปหาคู่ครองจากคนนั่นคนนี้เลยเพราะจะทำให้เราจะต้องเสียอกเสียใจในภายหลังเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญความเพียรเพียรสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อจะได้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ เราจะได้ถอดถอนความอยากต่างๆที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจถ้าไม่มีความสุขภายในใจจะไม่มีกำลังที่จะไปถอดถอนความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกใจได้แต่ถ้ามีความสุขภายในใจแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้ เราจรึงต้องเจริญสติก่อนเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสุขภายในใจก่อนแล้วรอค่อยไปเจริญปัญญาค่อยสอนใจว่าการเกิดความอยากแต่ละครั้งนี้เป็นความทุกข์เพราะทุกข์เพราะทำให้ใจกระเพื่อมพอใจกระเพื่อมความสงบก็จะหายไปแล้วถ้าไปทำตามความอยากก็ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะเวลาแสวงหาสิ่งที่อยากได้ก็ต้องทุกข์แล้ว และเวลาได้มาก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาทุกกับความวิตกกังวลแล้วก็จะมาทุกกับเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้ไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพื่อที่จะทำให้เราจะได้ไม่อยากได้อะไรเหมือนกับถ้าเราเห็นว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มไปแล้วจะทำให้เกิดโรคมาเรงขึ้นมารับรองได้ว่าเราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอย่างแน่นอน ต่อให้เขาโฆษณาว่าวิเศษขนาดไหนอริดอร่อยขนาดไหนก็ตามเถะิะเราไม่เอาดีกว่าอร่อยแค่ความสุขชั่วปลายลิ้นเท่านั้นเองพอได้ดื่มก็มีความสุขแต่พอดื่มไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต้องตายเพราะมันเชน่นสุรายาเมานี้ก็เป็นเหมือนยาพิษดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าเป็นยาพิษแบบอ่อนๆคาแบบนิ่มๆคาแบบนานๆเดิมไปเรื่อยๆ ยี่สบสมสิบปีเดี๋ยวก็ตับแข็งขึ้นมาเองอนี่แหละคือเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นโทษของการดื่มโชรายาเมาหรือของการเสพสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันสูบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมะเร็งก็กินปอดเองแต่มองไม่เห็นกันเพราะไม่ใช้ปัญญาคิดว่ามันเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความทุกข์นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะ เราจะต้องใช้หลังจากที่เราได้ความสงบแล้วให้ใจอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวอย่าไปหาความสุขนอกเหนือจากความสงบเพราะความความสุขนอกเหนือจากความสงบนี้ไม่มีความสุขที่นอกเหนือจากความสงบนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นดนั้นนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือการสอนใจเพื่อให้ละตันหาความอยากเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผล นิพานนั่นเองถ้าละตัณหาได้ก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นไปจนถึงธรรมขั้นขั้นสูงสุดละด้วยปัญญา น, นี้เองละด้วยการเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขภายนอกกายภายนอกใจหรือความสุขภายในใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้พวกเรา พยายามสร้างความเพียรกันขึ้นมาเพราะเราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรสมาธิสติสมาธิปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาเองสติสมาธิปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีความเพียรที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเองดังนั้นเขาให้เราตั้งเป้าไว้ที่ความเพียรต่อไปนี้เราจะเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราจะ เจริญสติไปทั้งวันจนถึงเวลาที่เรานอนหลับถ้าเราทำได้เราก็จะได้สมาธิอย่างแน่นอนเมื่อเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเจริญปัญญามาองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขเลยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองอยิงขอฝากเรื่องของการมา ฝังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดความเพียรพยายามที่จะเจริญที่จะบำเพ็ญทมที่สำคัญคือสติสมาธิและปัญญานี้ให้เกิดขึ้นมาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาธรรมข้อใดก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ถามตอบ ก, กันอีกเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันไม่มีวันจบนั้นก็จะให้มันจบก็จบกันตอนนี้เลยถ้าใครอยากจะถามก็ถามได้เลยเวลาถามตอนนี้ ผู้ฟังคนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าปัญหาของพวกเราก็เหมือนๆกันปัญหาออกมาจากความไม่รู้ด้วยกันทุกคนเมื่อคนที่ไม่ได้ถามได้ยินคำถามของผู้อื่นก็จะได้ได้รู้คำตอบ ด, ด้วยข้างหลังมีกลาบนามัสการพระอาจารย์ครับกระผมวันธชิตภูริขอ กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทําสมาธินี่ผมใช้การกําหนดพุโทโธในขณะที่กําหนดระยะหนึ่งเนี่ยอก็มองเห็นไตรักษของธาตุทั้งสี่เนี่ยออกมาแล้วการปฏิบัติของผมเนี่จะต้องอกําหนดพุโทโธต่อหรือ ว, ว่ามองอสุภะของไตรักษครับอถ้าเราทําสมาธิเราไม่ควรที่จะไปเห็นไตรักษเห็นอสุภะ เราต้องการให้อยู่กับพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆมีอะไรมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้เราก่อติดอยู่กับพุทธโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิเป็นเอกขัคตารุมเป็นหนึ่งาะตอนนี้เราไม่ต้องการเห็นไตรักไม่ต้องการเห็นอสุภาอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วแล้วเราต้องการเจริญปัญญาตอนนั้นเราต้องนึกถึงไตรักนึกถึงอสุภา อยู่บ่อยๆสาธคุครับกลาบไเพราะว่ า, า, าเพราะว่าถ้าเราไปนั่งพุโทโธแล้วไปเห็นตายรักแล้วไปดูตายรักเดี๋ยวใจมันก็จะไม่สงบได้เพราะบางคนเห็นแล้วก็เกิดอาการหงุดหงิดหรือเบื่อหน่ายหรืออะไรได้ขึ้นมาเพราะว่าจิตยังไม่มี อุเบกขาไม่มีกำลังของสมาธิมาสนับสนุนให้ดูภาพที่เราไม่อยากจะดูกันแต่เบื้องต้นเราต้องสร้างภูมิกุ้มกันให้กับใจก่อนสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอเรามีอุเบกขาแล้วทีนี้เราไปดูสร้างศพกันได้จะไม่รู้สึกมีอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลมคนบางคนนี่ถ้าจิตไม่แข็งไปเห็นศพเพรามันจะเป็นลมล่ะ นั่จำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนครับอาจารย์ครับผมจะน้ไปไปฏิบัติครับดีดีแล้วมียังไงมาเล่าให้ฟังคำถามจากทางบ้านจากคุณอนันต์ข้อหนึ่งนั่งฟังเทศของพระอาจารย์ขณะขับรถแล้วเกิดจิตสงบแล้วรู้สึกว่าตัวหายไปร่างกายว่างๆต้องกำหนดอย่างไรครับ ก็กิอยาลอยาหายก็แล้วกันก็ขอให้กำหนดดูที่การขับรถนะความจริงการฟังธรรมนี่ควรจะนั่งเฉยๆจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดจิตไปสงบมันจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าขับรถไปแล้วจิตสงบอาจจะไม่สนใจกับการขับรถเดี๋ยวรถก็วิ่งไปชนอะไรได้การฟังธรรมที่แท้จริงควรจะ สงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบกายก็คือร่างกายต้องไม่ทําอะไรต้องนั่งเฉยเฉยสงบวาจาก็ต้องไม่พูดคุยกันสงบใจก็ต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับธรรมะที่เรากําลังฟังอยู่เพลงอย่างเดียวถ้าเราฟังแบบนี้เวลาจิตรวมลงก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าขับรถไปแล้วก็จิตรวมลงนี่ทงรถเลย รถจะวิ่งไปชนที่ไหนกับใครก็ไม่รู้แล้วล่ะก็อสองมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงอะไรดังขึ้นมาแล้วจิตก็ดิ่งลงเป็นสมาธิรู้สึกว่ามีเพียงลมหายใจเบาๆแค่นั้นที่ท่องคาําภาวนาก็ไม่มีแต่รู้สึกตัวตลอดครับภาวะขณะนั้นเรียกว่าอะไรครับก็ภาวะของจิตที่สงบในระดับหนึ่ง อาจจะไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่แล้วทุกอย่างก็จะหายไปหมดแม้แต่ร่างกายก็จะหายไปแต่การสงบบางครั้งก็ไม่ไม่สงบเต็มที่ก็ยังรับรู้ส่วนของร่างกายอยู่เสียงก็ยังได้ยินแต่ใจไม่ไปมีอารมณ์กับเสียงที่ได้รับรู้ได้หรือได้ยินใจจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆไปคําถามจากคุณจุาธาทิพย์ จะเริ่มฝึกอย่างไรเพื่อให้เป็นคนใจเย็นไม่หงุดหงิดง่ายมีสติตลอดเวลาคะกันพื้นฐานเราก็ต้องมีเมตตาก่อนเราต้องมีความปรารถนาดีคิดดีกับผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นเขามีความสุขคือต้องเป็นผู้ให้อย่าเป็นผู้อยากได้เพราะความหงุดหงิดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความโลภความอยากของเรา อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเขาทำอย่างนั้นให้กับเราทำอย่างนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเราต้องเปลี่ยนเป็นว่าเราไม่ต้องการได้อะไรจากใครเรามีแต่อยากจะให้เขาเขาต้องการอะไรเรายินดีจะให้เสมอถ้าเรามีความเมตตาแล้วความหงุดหงิดก็จะเบาลงไปแล้วเราก็ควรจะฝึกควบคุมใจด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อย เพื่อจะดึงใจไม่ให้ไปโล่ไปอยากได้สิ่งต่างๆมากจนเกินไปคำถามจากคุณจริงหรือตามที่ผมเข้าใจคือเมื่อจิตปรุงแต่งคืออารมณ์เมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วเป็นความรู้สึกกระผมเข้าใจแบบนี้ไม่ว่าถูกบ้างไหมครับคือเวลาปรุงแต่งมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกความสุขทุกข์ขึ้นมาตามอารมณ์ที่ที่ปรากฏขึ้นมา ถ้าคิดเรื่องดีก็อารมณ์ดีก็มีความสุขใจถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็มีอารมณ์ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคำถามจากคุณขวัญตามที่พระอาจารย์ได้แนะนําว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงและมีเวลาในการปฏิบัติควรออกบวชหากเราประสงค์จะออกบวช แต่เรามีครอบครัวพ่อแม่ที่ต้องการให้เราดูแลเราจะต้องอยู่ดูแลท่านก่อนหรือเราจะขอท่านออกมาบวชเพื่อมีให้ตัวเรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตอบแทนดูแลท่านเพราะเคยบอกแต่ท่านไม่เห็นด้วยครับเกิดการตอบแทนดูแลก็มีหลายวิธีด้วยกันการมาบวชนีก็สามารถตอบแทนและดูแลบุญคุณของพ่อของแม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบแทนด้วยการออกบวช เราจะได้ดูแลได้อย่างถึงถึงถึงอกถึงใจถ้าไม่ได้บวชก็ดูแลได้เพียงร่างกายของพ่อของแม่แต่ไม่สามารถดูแลจิตใจของท่านได้แต่ถ้าได้ออกบวชแล้วได้บรรลุ ธ, ธรรมนี่สามารถที่จะมาดูแลจิตใจให้จิตใจของท่านบรรลุ ธ, ธรรมใหะพ้นออกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นการออกบวชนี่แจะเป็นการที่จะไปดูแลพ่อแม่อย่างถูกต้องและ และแท้จริงการออกบวชนี่ไม่ได้หมายว เ, เราจะไม่คบค้าสมาคมไม่เจอกันเลยก็เพียงแต่ไปช่วงแรกๆต้องขอเวลาที่จะอยู่ห่างกันหน่อยเพื่อจะได้ทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดปัญญาพอใจสงบเกิดปัญญาแล้วก็เจอกันได้ทุกวันมาอยู่ด้วยกันก็ได้อยากจะมาอยู่วัดก็มาอยู่ได้อย่างหลงตาท่า น, นก็เอาแม่ไปอยู่วัดไปบวปชติ๊กเช่ไปเลี้ยงดูไปสอนธรรมะอะไรทุกอย่างที่วัดดีจะตายไป คำถามจากคุณสุริยาขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแสดงหลักธรรมอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมสำหรับการทำงานเป็นทีมครับก็ต้องมีความสามาัคคีการทำงานเป็นทีมก็อย่าทำเป็นแบบคนเดียวทำเราต้องฟังคนอื่นด้วยถ้าจะ ถ, ถ้าจะฟังไม่ฟังคนอื่นก็ต้องทำคนเดียวถ้าทำเป็นทีมก็ต้องฟังก็ต้องลงเสียงลงคะแนนกัน มีความเห็นอย่างไรก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มาออกเสียงกันเสียงฝ่ายไหนมากกว่าก็ไปทางนั้นก็จะก็จะทำงานแบบแบบเป็นทีมได้ถ้าจะเป็นแบบกระ บ, บี่มือเดียวนี้ก็ต้องก็ต้องอยู่คนเดียวทำแบบคนเดียวคำถามจากคุณพภัสผมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธรัวไม่ให้มันปรุงแต่งมากเพราะมีนิสัยชอบคิดนั่นนี่ตลอดเวลา ตั้งใจจะให้ได้หนึ่งชั่วโมงแต่นั่งนั่งไปสี่สิบนาทีมันเกิดทุกทรมานใจมากเหมือนมันหหยหาอารมณ์การปรุงแต่งทุกจนต้องถอนหายใจเฮ้อออกมาดังๆเป็นอย่างนี้ประจำเลยครับแต่ก็สับสนว่าถ้าลุกไปเดินจงกรมต่อจะทำตามกิเลสไหม หรือการอยากนั่งหนึ่งชั่วโมงมันเป็นสมุทัยของทุกนี้สุดท้ายทนไม่ไหวก็ลุกเดินจงกรมต่อในใจรู้สึกเซงกับทุกข์ขังที่บีบคั้นมากเลยครับผมควรดำเนินอย่างไรดีครับก็หมันจะิันพดทอไปได้เรื่อยตอนเริ่มแรกก็จะเป็นลักษณะล้มลุกคลุกขานมันเด็กที่หัดเดินใหม่ๆก็จะลุกขึ้นมาเดินเลยไม่ได้เดินได้สองก้าวก็ล้ม การเจริญสติใหม่ๆก็มีการล้มลุกคลุกขานเป็นธรรมดาก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะทำให้ใจสงบได้ในที่สุดในเบื้องต้นก็อย่าไปท้อแท้เบื่อหน่อยทำไปถ้าทนนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินเดินยังกระทั่งเมื่อยเดินไม่ไหวก็กลับไปนั่งใหม่ ขอให้ทําเรื่อยๆก็แล้วกันส่วนเนืรื่องอิริยาบถก็เปลี่ยนได้ในเบื้องต้นเพราะว่าเรายังไม่มีพลังจิตพอที่จะนั่งแบบยาวๆได้เดินแบบนานๆได้ก็เอาแบบตามกําลังของเราไปก่อนข้อสําคัญขอให้มีการบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดถ้าเผลอพอนึกได้ก็ดึงกลับมาจเจริญใหม่อย่าไปโมโหอย่าไปหัวเสียเพราะว่ามันจะทําให้เราพานไม่ยอมทําเลย คิดว่าเออไม่เป็นไรล้มก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่เดินแล้วล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่เอตอนนี้เรายังไม่แข็งขาเรายังไม่แข็งเราก็เดินได้สองสามเก้าก็ล้มเอไม่เป็นไรล้มเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเดินไปเรื่อยขามันก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆพุทธทงของเราก็จะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทําแบบไม่หยุดไม่ย่อนพอเผลอก็พอรู้ว่าเผลอก็กลับมาเริ่มใหม่พอเผลอก็เริ่มใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ติดเป็นนิสัยไปเอง คำถามจากคุณนัทพลข้อหนึ่งผมเคยพิจารณากายในส่วนที่เคยเจ็บป่วยเคยผ่าตัดแล้วคลายความทุกข์ได้บางส่วนแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมด ยังเข้าใจว่ากายเป็นเราบ้างไม่ใช่เราบ้างแต่ไม่ค่อยทุกข์เรื่องกายจึงข้ามไปพิจารณาเวทนาและนามขันเนื่องจากใจทุกข์จากเวทนาและนามขันอื่นที่แปรปลวนบ่อยมากจึงจดจ่อ ก, กับการพิจารณานามขันที่เห็นว่าเป็นปัญหาก่อนไม่ทราบว่าผิดขั้นตอนไหมครับคือความเจ็บมันก็มีความส่วนเกี่ยวข้องกับรูปประขันคือร่างกายเนะี่ย ความเจ็บนี่มันก็เกิดมาจากการการเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายแปรปวนมันก็เกิดอาพาธขึ้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาการพิจารณาทุกขเวทนามันก็เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกายมันเป็นของมาด้วยกันการพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาหนึ่งให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีวัน เกิดแล้วมันก็ต้องมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายสอนเพื่อให้เรายอมรับความจริงนี้เท่านั้นเองไม่ให้เราไปฝืนความจริงเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้มันหายนีจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดถ้าเราไม่ได้อยากให้มันหายใจเราจะไม่ทุกข์เราปฏิบัตินี้เพื่อไม่ให้ใจทุกข์ ใจจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่อยากให้มันเวลาเจ็บก็ไม่อยากให้มันหายเจ็บเราเฉยๆไว้เจ็บก็เจ็บไปเวลาแก่ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่เอมันก็จะไม่ทุกเวลาจะตายก็เช่นเดียวกันก็อย่าไปอยากไม่ตายเวลาตายก็ยอมตายยอมตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เพราะผู้ที่ตายผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บก็ไม่ใช่คนที่ทุกข์นั่นแหละคนที่ทุกข์กับคนที่ตายนี่คนละคนกัน คนที่ตายเป็นบ่าวของคนที่ทุกข์คนที่ทุกข์เป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นคนละคนกันแต่ใจไปทุกข์กับกายเพราะหลงคิดว่าใจเป็นกายเท่านั้นเองใจคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยทุกข์กับการเป็นไปของร่างกายทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันเป็นเท่านั้นเองแตพอรู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้อย่าไปอยาก ฝืนความจริงยอมรับความจริงเสียยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับความตายใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ได้ดับความแก่ความเจ็บความตายที่เราดับไม่ได้ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาร่างกายเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันมาจากดินน้ำลมไฟ มันเป็นอย่างนี้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่มีใครที่จะมายับยั้งมันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ยับยั้งยับยั้งไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ยับยั้งพระพุทธเจ้าเพียงแต่ยับยั้งความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วทุกก็จะไม่เกิดขึ้นข้อสอง การเริ่มพิจารณานามขันก่อนหรือรูปขันก่อนสุดท้ายปลายทางจบลงที่เดียวกันใช่ไหมครับมันก็แล้วว่าปัญหาตัวไหนมาก่อนถ้าความตายมาก่อนมันก็ต้องพิจารณาความตายเช่นไปเจอเสือสิงห์กระทิงแรชมันจะมากัดกินเราตายเราก็ต้องพิจารณาร่่งกายว่ามันจะต้องตายเป็นธรรมดายามตายมันก็หายหายทุกข์หายกลัว ถ้าเกิดจะโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกขเวทนาห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ถ้าอยากไปให้มันหายมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้ายอมรับว่ามันอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้อนิจจังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับกันไป อยาก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเวลามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็รับมันเวลาสุขก็รับมันเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับมันเวลาทุกข์ก็รับมันเวลาสุขก็คือเช่นเวลาร้อนเราไปอาบน้ําอาบน้ําเย็นสบายก็สุขแต่มันก็สบายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันก็สลับกันไปอย่างเนี้ยเราไปทําอะไรมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมรับมัน อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเรื่องไหนมันจะมาก่อนแต่าการทำการบ้านก็ต้องคือการปฏิบัตินี่มันมีสองขั้นตอนไงที่พูดนี้เป็นการเข้าห้องสอบถ้าเกิดเจอความตายมันก็ต้องพิจารณาเรื่องของความตายเช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตายแน่ๆจะทำใจยังไงที่จะได้ตายอย่างสงบอยู่อย่างสงบก่อนตายก็ต้องยอมรับความตาย ต้องยอมรับว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเกิดเจอความปวดทรมานจากจากความจากจากโรคภัยที่กําลังเป็นอยู่ก็ต้องพิจารณาความเจ็บปวดนี้ก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไล่มันมันก็ไม่ไปอยากให้มันไหมหายมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่ได้อยากให้มันหา ย, ยอมอยู่กับมันไปก็อยู่กับมันไปมันก็จะไม่ทุกข์อันนี้เวลาเกิดข้อสอบ แต่ถ้ายังไม่เกิดก็ข้อสอบก็ต้องทาการบ้านไปก่อนคิดถึงความตา ย, ยเรื่อยมรณานุสติเรื่อยๆแล้วฝึกนั่งให้มันเจ็บแล้วพยายามทำใจให้เฉยกับความเจ็บนั้นอย่าไปอยากให้มันหายต่อไปเราชินกับมันแล้วต่อไปเจอของจริงก็จะได้ทำใจได้นี่ก็คือสองขั้นตอ น, ข, นขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนทำการบ้านก่อนขั้นตอนการทาบ้านก็คือขั้นเข้าห้องเรียนตอนนี้เข้าห้องเรียนเนี่ย กำลังมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติกับความเจ็บกับความตายพอรู้แล้วขั้นต่อไปก็ไปทําการบ้านอย่าขี้เกียจอย่าไปนั่งดูทีวีอย่าไปเที่ยวอย่าไปดูหนังฟังเพลงกันมาหาัดนั่งทาใจนั่งนั่งนั่งสมาธิด้อยให้อยู่กับความเจ็บปวดไปทําใจให้เป็นสมาธิเป็นอุเบกขาก็จะอยู่กับมันได้แล้วก็มันนั้นเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยว่าเราจะต้องตาย พวงนี้เราอาจจะต้องไปหาหมอแล้วหมอก็ว่าเรียบร้อยเตรียมตัวตายได้เราก็จะไดะ้เราก็จะได้ทําข้อสอบได้ถ้าเราเตรียมตัวทําการบ้านแล้วเวลาเข้าสอบก็สบายหรือ mm hmm. ข้อสอบข้อไหนมาก็ตอบได้ทันทีได้เต็มร้อยเลยส mm ี่จุดศูนย์ใช่ไหมถ้าไม่ทําการบ้านข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ก ต, ไไดตก <laughs> ข้อสามสมาธิที่เกิดจากการกําหนดรู้การรับรู้ต่างๆว่าไม่ใช่ตัวตนมีแต่ความแปรปรวนแล้วใจมันเข้ามาสงบรวมพักสงบเองมันคือสมาธิแบบไหนหรือครับก็สมาธิแบบที่คุณทำอยู่นั่นแหละไม่รู้มันเราก็ไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันแบบไหนก็ได้กอทาแล้วให้มันสงบก็แล้วกันแ ล, และผมจะพัฒนาจิตใจตนเองต่อไปยังไงดีครับ ก็เวลาสงบก็ให้มันสงบนานๆให้มันสงบบ่อยๆแล้วให้มันชำนานให้เข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นค่อยออกมาเจริญทางปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจ า, ารณาสุภะต่อไป คำถามจากคุณธนพงศ์ผมมีความสนใจที่จะปฏิบัติธรรมแต่คนที่ใกล้ชิดเราเขาไม่สนใจแม้เราจะแนะนำหรือพยายามเชิญชวนเขาแต่เขามักมีข้ออ้างต่างๆมากมายเรารู้สึกสงสารเขาอยากให้เขาได้เห็นธรรมเช่นนี้เราควรพยายามต่อไปหรือควรปล่อยเขาไปครับเวลาเรานอนนี่เราต้องให้เขามานอนหลับพร้อมๆกับเราหรือเปล่า เวลาเราง่วงนอนแล้วก็นอนคนเราไปเขาจะ ง, ง, ง่วงไม่ง่วงมัก็เรื่องของเขาอันนี้ก็เหมือนกัน <laughs> <laughs> การปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาเราก็ปฏิบัติของเราไปไปอยากให้เขามาปฏิบัติกับเราทำไมเขาไม่อยากปฏิบัติก็เรื่องของเขาเหมือเวลาเราง่วงนอนเราจะนอนแต่เขาไม่ง่วงก็จะนั่งดูทีวีก็ปล่อยก็ดูไปที่คนละคนกัน จะมจาจะต้องมาจับมาทำอะไรเหมือนกันเหมือน ก, นกับเป็นป่าท่องโกอยังงั้นคำถามจากคุณรัชนีวันหนูปฏิบัติทำมาได้ประมาณสามปีแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอนนี้พอเข้าใจแล้วคะ่ะแต่คิดว่าตัวเองเข้าใจเพราะฟังธรรมะตลอดแต่เข้าไม่ถึงจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ การจะเข้าถึงธรรมะนั้นก็มีอยู่ของขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เมื่อได้ศึกษาได้ฟังแล้วขั้นที่สองก็นําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วธรรมก็จะเข้าสู่ใจได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันรู้สึกว่าถึงจะภาวนามาสักระยะหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดโมโหง่ายเวลามีคนมาทําอะไรไม่ถูกใจเรา เลยสงสัยว่าเราปฏิบัติผิดพลาดตรงไหนไม่ชอบความรู้สึกโกรธของตัวเองชอบนึกถึงความไม่ดีของคนที่ทำให้เราโกรธทั้งที่จริงเขาก็มีส่วนดีมีโทสะจริตง่ายได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ที่บอกว่าอย่าเอาแต่ภาวนาพุทโธให้เจริญเมตตาด้วยก็รู้ว่าตัวเองขาดตรงนี้โดยไม่ทันได้นลกค่ะ เพราะจะรู it, it like ้สึกว่าเรามีเมตตาอยู่บ้างเพราะชอบทําบุญช่วยเหลือคนแต่พอคนใกล้ตัวกับโมโหง่ายการเจริญเมตตาเพื่อลดโทสะเราควรมีแนวทางการพิจารณาหรือมีอุบายในการนึกคิดอย่างไรดีคะก็เอาหัวอกเขามาใส่หัวอกเราเนีเราอยากให้เขาทำอะไรกับเราเราก็ทำอย่างนั้นกับเขาเราอยากจะให้เขารักเราเราก็รักเขา เราอยากใช่คนรักเราเราก็รักเขาเดี๋ยวเขาก็มารักเราเองเราทําอะไรทําดีกับใครเดี๋ยวเขาก็จะมาทําดีกับเราเราทําชั่วกับใครเขาก็จะมาทําชั่วกับเราง่ายๆแค่นี้เลงอยู่ตรงนี้เองหัดเอาอกเอาใจคนอื่นอย่าเอาใจตัวเองถ้าเอาใจคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาใจเราเขาก็จะรักเราชอบเราถ้าเราเอาแต่ใจเราไม่มีใครก็จะชอบเรา คำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้รับข้อสอบจากครูบาอาจารย์คะเพราะทุกคนก็มาฟังธรรมฟังแนวทางการปฏิบัติจากท่านก็เป็นเทศนากันเดียวกันค่ะคือข้อสอบมันมีอยู่ทุกคนแล้วไม่ต้องให้เข้าใจไหมข้อสอบพระเจา้าแสดงไว้ในทุกกรรยัสัตเนี่ยทุกขัสัตข้อที่หนึ่ง คือความเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกาันการเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยอันนี้คือข้อสอบของเราทุกคนอาจารย์ไม่ต้องให้หรอกมันมากับชีวิตเราอาจารย์เพยแต่มาชี้บอกให้รู้ว่าข้อสอบของคุณคืออะไรแล้ววิธีทำข้อสอบนี้ทำอย่างไรเท่านั้นก็คือต้องมาปฏิบัติทำสร้างสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทาข้อสอบเหล่านี้ได้ แล้วข้อสอบที่แต่ละคนจะได้ขึ้นอยู่กับอะไรคะอันนี้ก็ตอบข้อหนึ่งไปแล้วได้ในข้อหนึ่งไปแล้วข้อสองบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกโกรธน้อยใจครูบาอาจารย์นี้จะแก้ไขอารมณ์นี้อย่างไรคะเพราะเราอยากให้ครูบาอาจารย์เอาใจเราอยากจะทำให้เราพอใจอยู่เรื่อยๆพออาจารย์ไม่ทำตามที่เราอยากได้เราก็โกรธท่านเสียใจ เิ่งแต่อย่าไปหวังอยากไปอยากได้อะไรจากใครแล้วก็จะไม่เสียใจต้นเหตุของความเสียใจของความโกรธก็คือความอยากนี่เองอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธเสียใจถ้าไม่มีความอยากได้แล้วจะไปโกรธไปเสียใจกับใครให้ไหนข้อ 3. บางครั้งบางวันหนูรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อมีอารมณ์ต่างๆโกรธบ้างน้อยใจเสียใจบ้าง บางทีบางครั้งคุมมันไม่อยู่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดมาคิดคิดดูอารมณ์แบบนี้ก็ไม่ต่างจากอารมณ์ที่อยู่แบบโลกโลกจนบางทีอยากจะประชดชีวิตกลับไปอยู่แบบโลกโลกไปใช้ชีวิตไปดื่มไปเที่ยวให้มันสุดๆไปเลยเพราะยังไงตกนรกก็อันนี้จังอย่างเมื่อ อย่างเมื่อวานหนูเกือบทําตามความคิดที่แว็บเข้ามาจะจองตั๋วไปเที่ยวเกาหลีใต้แล้วไปต่อที่ญี่ปุ่น <laughs> แต่พอมาฟังเทศก็สำนึกผิดที่คิดจะทำแบบนี้ทําให้หนูกลัวอารมณ์แบบนี้หนูจะแก้ไขยอย่างไรดีคะ <laughs> ก็เวลาเกิดอารมณ์ก็ให้ตั้งสติดูว่ามันเป็นเหมือนพ า, ายุก็แล้วกันเวลาพายุมานี่เราก็หาที่หลบ yeah. เดี๋ยวมันก็สงบตัวเอง เราไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้ใจเรากําลังมีพายุเราไม่ต้องไปทําตามอารมณ์เราก็เพียงแต่ประคับประคองใจของเราด้วยสติไปเรื่อยๆแต่อย่าไปอยากให้อารมณ์นั้นมันหายเพราะมันจะทําให้เราเครียดเพราะมันไม่หายเพียงแต่ยอมรับว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมันมันมันไม่ดีมีพายุฝนในใจของเราอย่เดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่ามัน ก็ผ่านมาหลายหลายครั้งแล้วชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์สลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อ ย, อยวิธีที่เราจะประชิญกับมันก็คือว่ามันไม่มันก็อนิจจงเหมือนกับนรกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนรกแท้ๆอยู่แล้วไม่ต้องไปหานรกอีกการมาเพิ่มหรอกตอนที่มีความทุกข์ใจตอนนี้มันก็เป็นนรกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็เป็นอนิจจงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จบอย่าไม่ต้องไปทําอะไรอย่าอย่าไปทําอะไรในขณะที่มีอารมณ์ไม่ดี เพมันจะทําให้เลวร้วายยิ่งกว่าเดิมไปเพิ่มอารมณ์ไม่ดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ให้ประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆไปทําใจสอนใจว่ามันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้มันจะอยู่ก็มันอยู่ไปถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์คำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่ง จำเป็นหรือไม่ที่ขั้นตอนของการสแสวงหาความสุขทางจิตใจคือต้องมีสเตปคือทานศีลและค่อยมาถึงภาวนาเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ทานไม่ได้รักษาศีลห้าก็ไม่สามารถทำการภาวนาได้เป็นเหมือนกับสูตรเราสามารถข้ามขั้นตอนได้ไหมครับถ้าข้ามได้แล้วได้ผลก็ข้ามไปถ้าข้ามแล้วไม่ได้ผลก็ต้องกลับลงมาทำตามขั้น คนบางคนอาจจะข้ามได้เพราะในอดีตเคยทำมาแล้ว<ม>เขาก็ไม่ต้องมาทำเป็นขั้นๆก็ได้บางคนเกิดมาแล้วก็มาภาวนาได้เลยไม่ต้องไปทำบุญใส่บาตไม่ต้องทำอะไรศีลเขาก็จะว่ามีหรือไม่มีก็เขาก็ไม่ได้ทำบาปอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องไปขอศีลจากพระอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าเขาภาวนาได้ก็ภาวนาไปเลยแต่ถ้ายังภาวนาไม่ได้ก็ต้องมาดูแล้วว่าศีลเราบริสุทธิ์หรือเปล่า ยังดื่มสุราอยู่หรือเปล่าเพราะการดื่มสุราก็จะทําให้มันภาวนาไม่ได้เวลาเมาแล้วมันจะนั่งสมาธิได้เลยกระหนาดไม่เมายังนั่งไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเมาแต่ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องดู่ดูว่าเอถ้าเราภาวนาได้เราก็ภาวนาไปเลยถ้ายัางภาวนาไม่ได้ดูว่าเรารักษาศีลแปดได้หรือเปล่ารักษาศีลแปดยังไม่ได้ดูว่ารักษาสีลห้าได้หรือเปล่า แล้วดูรักษาสี่หน้ายังไม่ได้ดูว่าทำบุญทำทานได้หรือเปล่ามีความเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่ อ, อแผ่กับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นขั้นของมันแต่ถ้าเราผ่านขั้นไหนไปแล้วเราทำได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปทำขั้นที่เราผ่านมาแล้วและผมเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนควรจะเริ่มจากตรงไหนในการศึกษาดีครับเพราะดูเหมือนมันเยอะแยะไปหมด ก็ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรหาหนังสือที่กระทัดรัดหน่อยคือไม่ต้องเอาพระไตปิฎกเพราะว่ามันมากมายมีหนังสือที่รว บ, ร ว, บรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็มาเปิดอ่านดูหรือ ว, ว่าอ่านหนังสือทางภาคปฏิบัติของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ท่านก็จะเอาแต่แก่นๆเอาแต่เนื้อเนื้อมาสอนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป ไปงมอยู่ในน้ำํำมีแต่น้ําลายเอาแต่แก่นเช่นเอาศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ก็พอแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรก็มีสามข้อนี่คือทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วเราก็ไปศึกษารายละเอียดของแต่ละข้อว่าทําทานนี้ทําอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นทําทานรักษาศีลข้อไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาศีลภาวนาทําอย่างไรถึงจเรียกว่าภาวนา ภาวนามีสองระดับ ม, มีสมถะภาวนานทาใจให้สงบวิปัสนาภาวนานทําใจให้ฉลาดมันก็มีรายละเอียดที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาตามลำดับต่อไปข้อสองในทางพุทธศาสนาทำไมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันครับคนที่เกิดมามีโรคประจาตัวตั้งแต่เกิดเกิดจากอะไรคือผมมีโรคประจาตัวตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้สาเหตุ ต้องกินยาทุกวันอยากทราบว่าเป็นเพราะการมีกรรมเหลืออะไรแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรดีมีทางที่จะยอมรับโรคนี้แล้วมีความสุขได้อย่างไรมันจะมีปาฏิหาริย์ที่จะช่วยให้หายให้โรคหายได้ไหมครับหากบำเพ็ญภาวนามากๆคือความแตกต่างของคนเราก็อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสั์ให้เป็นอะไรต่งาง คำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆคือเป็นการกระทำที่มีทั้งสอ ง, สองที่สําคัญก็คือการทำบุญกับการทำบาปแต่เรามักจะพูดบุญกรรมแทนที่จะบุญกับบาปคนที่เรามาเกิดแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นอนิสง์ของบาปที่เราทำมาในอดีตมันก็ติดตัวมากับเราคนที่มาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอนิสง์ของการที่ไม่ได้ทาบาปหรือได้ทาบุญมา ที่เมื่อมันเกิดผลขึ้นมาแล้วเราก็ทำลายมันไม่ได้มันเราก็ต้องอยู่กับมันไปวิธีที่จะอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปอยากหนีมันอย่าไปอยากให้มันหายก็คิดว่ามันมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันจะหายมันก็หายถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่เดือดร้อนการภาวนาก็เพื่อที่ทำใจให้เราอยู่กับมันให้ได้นี้เองการภาวนาแล้วเราก็จะมีกาลังที่จะหยุดใจหยุดความอยากให สิ่งที่เราไม่อยากไม่ชอบให้มันหายไปแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่หายเราก็จะทำใจอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะเกิดความอยากอยู่เรื่อยๆอยากให้สิวอันนี้มันหายอยากจะให้ตำหนิตรงนี้มันหายทำยังไงมันก็ไม่ยอมหายมันก็ทุกข์กับมันไปแต่พอภาวนาทาใจสงบแล้วไม่สนใจมึงจะอยู่ก็อยู่มึงจะหายก็หายไม่เป็นไร นี่คือผลที่เราได้รับจากการภาวนาก็จะดับความทุกข์วุ่นวายใจกับวิบากกรรมของเราได้เราจะอยู่กับวิบากกรรมของเราได้คําถามจากผู้ฝากถามที่ทํางานมีเป้าหมายให้ทําโดยบอกว่าเชื่อว่าเราทําได้และเราต้องทําตามเป้าหมายนั้นจึงอยากเรียนสอบถามว่าความเชื่อและความอยากเหมือนกันหรือไม่และเราอยากทําตามเป้าหมายนั้นเป็นกิเลสหรือไม่ครับ การทำงานนี้มันก็เป็นการทำงานของกิเลสต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ต้องเพิ่มกี่ร้อยละสิบเนี่ยแล้วเขาก็ต้องพูดเป็นทางเขาเรียนกิติวิทยาเชื่อว่าคุณทำได้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องออกเนี่ยเดีก็ไม่พูดตรงนั้นเท่านั้นเองนี่คุณจะทำได้ไม่ได้ก็เรื่องของคุณ ถ้าคุณไม่ทำทาไม่ได้เขาจะหาคนอื่นมาทาแทนคุณเท่านั้นเองคําำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งเราจะสอนเด็กอย่างไรที่จะให้เด็กในวัยเรียนไม่มีแฟนหรือสนใจในเรื่องนี้และควรเริ่มต้นสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะความอยากมีแฟนมันติดมากับใจของคนทุกคนห้ามมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอย่าไปเปิดโอกาสถ้ามันมีช่องไปมีแฟนเท่านั้นเอง ต้ามันยังเด็กอยู่ก็ต้องคอยควบคุมดูแลไปไหนก็อย่าปล่อยให้ไปคนเดียวมันคอยคอยคุมแจจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะจนกว่าที่จะพึ่งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้มีครอบครัวของตัวเองได้ก็ค่อยปล่อยเข้าไปเหมือนกับหมานะเราก็ต้องมีมีเชือกมัดไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มันออกไปขี่ตามสถานที่ต่างๆแล้วให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนด่าเรา ถ้าเรามีเลี้ยงหมาเวลาเราจะปล่อยหมาออกนอกบ้านเราก็ต้องจูงมันไปมีเชือกมีอะไรรัดตัวมันไว้แล้วก็มีถุงมลสติกคอยเก็บอุจจาระเพราะที่เมืองนอกนี้ก็ปรับนะถ้าปล่อยสุนัขอุจจาระแล้วไม่เก็บอุจจาระของสุนัขนี่เรียว่าทําผิดกฎหมายเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านฉะนั้นลูกเราก็เหมือนสุนัขเนี่ยเราก็ต้องผูกมันไว้ โบราณเขาก็บอกแล้วว่าอะไรลักลักบัวให้ผูกลักลูกให้ตีเนี่ยสมัยนี้ไม่กล้าตีลูกกันหาว่าโหดร้ายชารุน่นไม่มีความเมตตาการตีมันมีตีแบบสองแบบตีแบบโหดร้ายก็มีตีแบบเมตาก็มีตีแบบเพื่อปราบเพื่ออบรมสั่งสอนว่าทําอย่างนี้แลาจะเกิดโทษขึ้นมาตีได้ถ้าตีแบบนี้แต่ถ้าตีด้วยความโกรธเกลียดไหน ม, มึงดือ้อเหลือเกินบอกมึงยังไงก็ไม่ยอมฟังควา้าดมันกระทั่งมันสลบอย่างนี้ อ <laughs> อ้อยังไงไม่ควรตีตีแบบนั้นไม่เกิดผลมันจะกลับมาโกรธมาเกลียดเราแล้วมันจะไม่เชื่อฟังเราต่อไปเข <Yeah. S 1> ้าใจไหมอังนั้นก็ต้องคอยควบคุมเด็กเด็กมันยังเล็กอยู่ไม่ปสีไม่รู้ผิดถูกดีชั่วอย่าปล่อยให้เป็นทาอะไรโดยอิสระ พราะทำประทับถ้าเผลอแล้วมันไปทําทันทีเพราะมันมีความอยากมีแฟนคือการมาตัณหานี่มันติดมามาติดมาเกิดกันไงถ้าไม่มีการมตัณหามันก็ไม่มาเกิดกันหรอกไม่ว่าใครกันนั้นทั้งเราพวกเราทั้งหมดนี้ก็มีทั้งนั้นแหละมีมากมีน้อยแล้วก็มีสติมีปัญญาที่จะคอยควบคุมมันได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องคอยควบคุมเด็กของเราอย่าปล่อยให้มีโอกาสไปทําอะไรต่างๆที่ไม่ควรทําในขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่ ข้อสองมีคนถามว่าถ้าผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งจะรักษาดีไหมคะก็ตามใจอยู่ที่ใจของผู้เป็นเจ้าของร่างกายนั้นก็ได้ทั้งสองทางคนที่เขาทําใจได้แล้วเขาก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่อยากจะต้องมาทรมาน ก, กับการรักษาเขาก็ปล่อยมันไปถ้าเขายังคิดว่ารักษาแล้วยังอยู่ต่อไปแล้วทําประโยชน์ ได้เขาก็ทําไปเขายอมเขายอมเจ็บกับการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของใจของแต่ละคนว่ามีธรรมมากน้อยเพียงไรสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทําอย่างไรคนที่มีธรรมแล้วทําได้ทั้งสองทางคือรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ถ้าจะรักษาหรือไม่รักษาก็จะอาจจะเล็งถึงประโยชน์ที่จะตามมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์กับตนเองแต่ประโยชน์กับผู้อื่น พราผู้ที่มีธรรมแล้วมีประโยชน์เต็มตัวอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไปที่อยู่ต่อไปก็เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าพาระลานตสาวกทั้งหลายนี่ถ้าไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์สุขของท่านเพราะว่าท่านได้ประโยชน์สุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วอยู่ต่อไปทําอะไรต่อไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่ทําให้มันเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงแต่อย่างใดแต่อยู่ไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นที่ยังไม่มีผู้ที่ยัง มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการอยู่ของท่านท่านก็อาจจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าท่านคิดว่าอยู่ไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําำไมตอนปากเปียกปากฉีกมันก็เท่าเดิมก็ไปดีกว่าจะถามเหรจะพูดเหรอจะได้เอาไม้มาให้ถามเลยอ้าวถามมา กับนับกวิชการพระอาจารย์ครับขอกลับเรียนถามว่ า, เ, าเวลาที่เราเกิดปัญหาความ อ, าอยากหรือความไม่อยากขึ้นมานะครับแล้ว เ, เราเผลอปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราเพิ่งมาเาพิ่งมาดึงเพิ่งมาดึงสติกลับมารู้กลับมาว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกว่ า, เ, าเสียใจหรือสศลทุดหู่กับสิ่งที่เราปล่อยให้มันเผลอไปครับเราควรที่จะต้องทําอย่างไรครับก็อบอกว่าอย่าไปเสียใจเวลา เวลาถึงเวลาไม่ควรจะทำไปทำทำาปแล้วมาเสียใจมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ทาตามว่าก็จะเอาว่าครั้งต่อไปก็ปพยายามอย่าไปทำมันอีกก็แล้วกันครั้งนี้เราพลาดไปก็เหมือนกับคราวนี้เราไปสอบแล้วเราสอบตกคราวหน้าเราก็ไปสอบใหม่สอบไปจนกว่าจะผ่านครับอีกคำถามครับเป็นคำถามที่ฝากมาถามครับคือเราควรที่จะเชื่ อ, อคาทานายไถ ท, ทัของหมอดูหมอดวง ที่อาจจะทำนายถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนียครับเราควรเชื่อไหมครับไม่รู้ไม่รู้ใครเขารู้จริงหรือเปล่าเรื่องเลาเหล่านี้นะคิดว่ามันไม่มันไม่มีใครรู้จริงหรอกนอกจากพวกที่เขามีความรู้ทางวิทยาศาสต์เช่นพยากรณ์อากาศกลมุตุนิยมวิทยานี่อย่างน้อยการพยากรณ์ของเขามีเหตุมีผลแล้วก็เป็นไปาตามที่เขาพยากรณ์กัน แต่ส่วนเรื่องคํานายทายทักว่าเห็นภัยนงภายในนี้เราไม่เชื่อหรอกแต่คนอื่นจะเชื่อเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราเชื่อว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเน่ยจะมีคนมาบอกว่าจะเกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่สําคัญอะไรข้อสําคัญก็คือว่าเราพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าอย่างนี้จะดีกว่าเราให้เราคิดว่าจะต้องมีภัยทุกวันแล้วเราเตรียมตัวรับกับภัยมันทุกวันเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวรับกับมันได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลามันเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมา เราหลักถ้าจะเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นต้องควรจะทําอย่างไรครับก็ปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบแล้วใจก็จะรับกับภัยทุกแบบได้ภัยที่เกิดกับร่างกายของเราภัยที่เกิดกับธรรมชาติภัยที่เกิดกับบุคคลอื่นเราจะรับได้หมดถ้าใจของเรามีความสงบมีปัญญา ค, ญครับขอบคุณครับก็คําถามทั้งหลายก็หมดเวลาก็หมดพอดีก็ ขอให้ท่านจงเอานำสิ่งที่ได้ยินได้ฝังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอและร่างกายมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเก็บเชื่อกันทุกคนนี่ ควเรามาถึงแล้วก็ก็รับกันไปดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปชนสิ่งที่คนรจะรักษามากกว่าคือรักษาใจใจเราสงบไม่เราไปคุกกับมันร่างกายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อางกายสภาพเแต่ต้องรักษาใจให้ได้รักใจรักษาได้รักษาด้วยสติไม่สมาธิไม่ปัญญา พิจารณาอยู่บ่ๆว่ามันทำให้ตัวเราขนาดมันเป็นน้ำเป็นไฟทังสาช้างที่สงเกเกิตายเราก็นายมันเป็นบาเราเป็นคนใช้มันทาอะไรต่างตอนนี้มันมันหมดสภาพแล้วเราถงเวลาที่จะต้องจากกันแล้วเปลี่ยนตัวให้มันไปอย่าไปยื้อย่าไปนั่งนิ่งแล้วอย่าพยายากให้มันอยู่มันจะไม่ทุก ประยากแล้วมันจะทุกข์อยาประอยากให้มันหายถ้ามันหายมันก็หายถ้ามันไม่หายมันก็ไม่หายรักษาได้ก็รักษาันถ้ามันไม่ตายก็อย่าประอยากให้มันตายก็อยู่ต่อไปถ้ามันจะตายก็อย่าประอยากให้มันไม่ตายอย่าประอยากอยู่ต้องไม่มีความอยากอยู่หรืออยากตายอยากตายก็เป็นทุกข์อยากอยู่ก็เป็นทุกข์ ก็เฉยๆสัตวจะว่ารู้ไปสนุเบกขาไปแล้วจะไม่ทุกข์แล้วเราก็ต้องตายจากกันทุกคนอันนี้เรามีบัตรคิวแล้วเหมือนไปที่ธนาคารเขาให้บัตรหมายเลขรอรอไปรอไปเช็คบัญชีวันสุดท้ายของชีวิตก็เป็นเวลาเช็คตรวดเช็คบัญชีว่าบัญชีบวกกับบัญชีลบอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบัญชีบวกมากกว่าก็ไปดี บัญชีลบมากกว่าก็ไปไม่ดีฉันพยายามทำบัญชีให้มันบวกไว้ทำบุญทำดานรักษาสินภาตอนนาวเยอะๆแล้วเวลาไปเช็คบัญชีจะรู้ว่าโอ้เราบัญชีบวกไปสบายแต่นะ ไปได้ก็ดีไม่ต้องมาเทศทุกวันเหนื่อต้องมาเทศอยู่เรื่อยๆถ้าไปแล้วก็สบายไม่ต้องมานั่งเทสแต่เมื่อกี้ทนเจนบอกท่านเจนยังเป็นประโยชน์นะค ะ, ะ <os> ก็ไม่ได้ว่าจะไปแต่ว่าถ้าไปได้ก็ดี <c oughs> ดีกว่าอยู่ก็ง่ายๆ <c oughs> คนอื่นคนอื่นมันดีก็คนอื่นคนอื่นมันดีมันอยู่ดีกว่าไปแต่เรามันดีเราไปดีกว่าอยู่ถ้าเราอยู่เราไม่ได้อะไรคนเราอยู่แต่คนอื่นได้เขาก็าว่าดีเลย <c oughs> นะ่าเ้าก็อยากจะให้เราอยู่พรอยู่แล้วเขาได้แต่เราอยู่แล้วเราไม่ได้เราจะอยู่กันทาไมนะมันต่างกันตรงนี้ ไปน่าจําอยเท่ากหลวงพจัเาอยู <t t ่เท่าี่จะอยู่ได้เท่ากับใครก็ไม่รู้เลยตอนน่้เหนื่อยแล้ว